การกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่เช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดเราบอกการระงับความกรัดกุ้มเพราะการมไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมคบุรุษเธอสอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเสียยังดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดองคชาต เข้าปากงูเหา่าเสียยังดีกว่าสอดอง์ขชาติเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดอง์ขชาติเข้าหลุมฐานไฟ เสียยังดีกว่าสอดองค์ชาติเข้าองค์กําเนิดนางลิงเพราะอะไรเล่าเพราะผู้สอดองค์ชาติเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึงถึงความตายหรือทุกพังตายเพราะการกระทํานั้นเป็นต้นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนผู้สอดองคชาติเข้าองค์กําเนิดนางลิงหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุกติมินิบาตนารกโมฆะบุรุษในการที่เธอเสพอสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ํากิริยาช่วย